อ่าของโยมเชนนะฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจัดรายการวิทยุ ด, ด้านธรรมะอยู่นะคะ uh huh. แล้วก็เมื่อเช้าเกิดไปไปเปิดท n n แล้วเห็นท่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ค้นหามานานแล้วเรื่องทําอย่างไรถึงจะเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเราควรจะยึดตรงไหนก็ uh huh. คือพระพุทธวจนะนะคะที uh huh. นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีฉันปิ๊งขึ้นมาทันที ก็ S <S เลยดันโดนมาที่นี่วันนี้นะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ฉันอาจจะถามไม่เหมือนกับท่านที่นี่พราะที่ฉันเพิ่งมา uh huh. นะคะก็ uh huh. คือมาทราบว่าพระพุทธวจนะนี่เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องยึดอันนี้เป็นสิ่งที่นี่ฉันร้อยเปอร์เซ็ช่ uh huh. แล้วเนื่องจากคําสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยอ uh huh. ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่เนี่ยไม่ได้มีการบ uh ันทึกแน่นอนก็จะต้องเกิดจากการที่ได้ฟังจากพระนริหรืออะไรแล้วที่เราเรียนรู้มานะคะแล้วก็เมื่อเราได้ไป นำเอามาจากพระเจ้ า, าสมหาราชจนกระทั่งมาถึงรชัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มาจนถึงรชัชกาลที่ห้าแล้วก็มาจนถึงเดี๋ยวเนี้ยเหตุไฉนเราถึงได้ปล่อยปะแล้วเลยให้ให้ไม่ได้รับคำคำสอนในพุทธวจนะแล้วก็ปล่อยให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเสังเกตนาพระตไตรปิฎกจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยแล้วเราพวกพุทธศาสนาพระสงฆ์หรือการเชื่อการยึดถึงได้ออกมาจนกระทั่งเป็นมาแบบนี้ทั้งที่ สิ่งที่เราทราบว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําตามแต่เหตุไฉนถึงปล่อยให้พระไตรปิฎกห ร, รือเรื่องราวในการยึดถือเนี่ยมามาเป็นการแต่งเติมหรือบิดเบือนและพระสงฆ์เหล่าใดที่ดำทำการแต่งเติมบิดเบือนหรือทําขึ้นมานี่ไม่บาปหรือทำไม่ผิดพระวินัยหรือพระสงฆ์นี่ยังไงยังไงบิดเบือนหรือบิดพุทธวจนะหรือเขียนแต่งเติมนี่ไม่ได้แล้วทำไมปล่อยไปะล้เลยให้เกิดขึ้นถึงขณะนี้แล้วคะขอถามอย่างนี้รู้สึกเจออ่า แรงไปไหมคะขอประทานโทษไม่แรงมันก็ถูกแล้วธรรมด า, ามปล่อยให้แล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันมีความคิดว่าตรงเนี้ยโอเคดิฉันดีใจที่ได้มาเจอเพราะทีฉันจะรายการที่ยุหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันจะถามตอบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วตัวเองก็เหมือนกับผู้ตรงเรื่องพระที่ไหนไม่ถูกต้องฉันก็จะบอกว่าอันนี้ไม่น่ายึดถืออันนี้น่ายึดถือดิฉันชี้แจงเลย รู้สึกเป็นที่ขัมแบทของข้างๆแตฉันก็ไม่สนใจเพราะฉะนันถือ uh huh. ว่าพูดสิ่งที่ถูกต้อง uh huh. แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราทราบว่าพระพุทธวจนะเป็นสิ่งที่ต้องยึดเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยใน ช, ชนยัยคณะสงฆ์ต่างๆหรือมหาเทรสมาคมหรือมุกุตราชวิทยาลัยก็ดีอะไรก็ดีถึงปล่อยปละละเลยให้การสอนธรรมะบ้านเราแก่นของพระพุทธศาสนาถึงบิดเบือนไปเป็นนั้นนิกาย น, น, น, ายนี้แบบนั้นแบบ น, น, แบบนี้คำภาวนาต่างๆอะไรวุ่นวายไปหมด uh huh. ทําไมปล่อยไปถึงขนาดนี้นะคะไม่มีใครใหญ่ที่สุดในเยอม ที่จะสั่งตรงนี้นะเพราะนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะไม่มีโรงเรียนโรงเรียนเดียวสอนพระทั้งประเทศร้อยวัดก็ร้อยโรงเรียนอะไรยแล้วต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างปลูกฝังนะไม่มีใครสั่งใครได้อย่างจริงจังในในคณะสงฆ์ทุกคนต้องอาศัยฮิลิโอตปะความละอายความเกรงกลัว ต่อบาปกันเอาเองซึ่งมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> ความเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดมาได้จากการที่สงเนี่ยนะตั้งมานานจเจริญด้วยลาบแผ่ภัยสารไปเต็มที่นี่เป็นเหตุของความเสื่อมพระองค์เรียกว่าอาสวะตฐานนิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมจะเกิดขึ้นแม้แต่ในยุค ข, ของพระองค์ก็ตามนะ เมื่อสงแผ่ไปสารไปเต็มที่เนี่ยจะเกิดอาสวัฐานิยธรรมขึ้นมาธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความเสือ่อมนะพระองค์บอกว่าการที่วินัยมีมนทินเพราะธรรม ม, มีมนฑินการที่ธรรม ม, มีมนฑินเพราะวินัยมีมนฑินนะเมื่ออันนี้มีมนทินอีกอันจะสร้างมนฑินให้ด้วยเมื่อพระติดในเอกลาปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศวินัยก็จะบกพร่องไป เมื่อวินัยบกพร่องธรรมะของท่านก็จะบกพร่องไปด้วยมันจะโยงใยกันไปกันมาอย่างนี้เสือเส่อมลงเสื่อมลงและพระองค์ก็กัดบอกไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุเนี่ยไม่สนใจคำ ต, าคต่างข้อซึ่งมันก็ตรงจริงอย่างในปัจจุบันในปัจจุบันเราเมืองพุทธประเทศไทยเมืองพุทธแต่ไม่มีหนังสือที่เป็นพุทธประนะออกแจกจ่ายออกจําหน่ายนะในตลาดจําหน่ายก็ไม่มี ในตลาดของการแจกฟรีก็ไม่มีมีแต่หนังสือสาวกเต็มไปหมดไม่มีใครระลึกถึงพระศาสดาแล้วอยากจะนําคำพระศาสดาล้วนๆมาถ่ายทอดตัวพระเองก็ไม่ไม่ใคร่ที่จะศึกษาคําศาสดาล้วนๆก็ไปฟังคอนโน้นคนนี้พูดกันว่าคําศาสดาสูงเกินไกลเกินปฏิบัติไม่ได้ดูถูกศาสดาตัวเองหมดเลยใช่ไหมทั้งที่ศาสดาตัวเองเป็นสัพันธอยู่ และในครั้งพุทธกาลพระเขาก็บรรลุธรรมกันเพราะคาศาสดาล้วนศา ส, สนาแผ่ภัยสารไปทั่วโลกในครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็เป็นเพราะคำศาสดา ล, ล้วนอีกเช่นกันความที่เราห่างไกลพระศาสดามา2000ันกว่าปีจึงขาดเยื่อใยในพระผู้มีพระภาคเจ้านะทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นเหตุปัใจจัยในการการเสื่อมไปนะการ จางคลายไปในความผูกพันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าความจางคลายในฮิลิโอตปาดความเพียรที่จะปารบก็ย่อหย่อนความสื่อมของศาสนาภิกษุที่เป็นเทระเนี่ยเป็นผู้นําในทางสามไม่มุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุพระที่บวชนานสิปีขึ้นไปนั่นเอง นะเรียกเทละนนำไปในทางที่ผิดนั้นเราดูว่าผู้ที่บวชนานณนะวันนี้นำพาไปในทางที่ผิดเป็นเสียส่วนมากนะพระรุ่นหลังๆที่ตามมาก็คิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทาตามกันไปอีกนะตำราก็ไม่มนะีข้อปฏิบัติที่เห็นอยู่ก็ผิดมันก็เลยหาที่ที่จะศึกษาก็ไม่ได้หาตัวอย่างที่ นำพาไปในทางถูกต้องก็ไม่ได้นะมันเสืิมไปทีละเล็กทีละน้อยไปอย่างเนี้ยเยอะดูความเสื่อมความเจริญของศาสนา4ีอย่างที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้บทพญธ น, นะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกแค่ข้อหนึ่งในประเทศเราก็แทบจะไม่มีแล้วผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะบทพญชนะมีแต่บทพญธ น, นะสาวกหมดเลยน0ะกกว่าเปอร์เซ็นต์นะนะเราจึงต้องพยายามฟื้นฟูพุทธวินชชนะ เอาคำสัจธรรมล้วนๆมากระจายบอกสอนท่านี้ <c oughs> ตัวพระเนี่ยทุกองเนี่ยต้องศึกษาพุทธวิชชาเพื่อโยมสงสัยถามจะได้ตอบได้ในเมื่อพระไม่ศึกษาพุทธวิชชาแล้วให้โยมไปอ่านพุทธวิชชาแล้วอ่านมีข้อสงสัยพระจะตอบได้ไหมก็ใบเหมือนกระโยมไบ่กินพอกันเท่ากันเพราะมันไม่ใช่อ่านง่ายนะกว่าจะมาจะมาแจกแจงเรียบเรียง รวมต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยโยมใช้เวลาทั้งนั้นมานนถึงบอกโยมโชคดีว่าโยมอ่านปับป๊บปับ๊ปอาตมาจับประเด็นไว้ให้หมดแล้วพระสูตรที่กระจายอยู่ใน30 40เลม่มอาตมารวมมาให้เป็นกลุ่มก้อนเป็นหมวดตามทั้งขั้นปังโยมเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าอาตมาอาตม า, ต, มาต้องใช้เวลา6เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างสองปีสปีกว่าจะรวบรวมตรงนั้นตรงนี้มาได้กว่าจะโยงใยพระสูตรกันได้ใช่ไหมตัวพระ ต้องเข้ามาศึกษาคำศาสดาตัวเองล้วนๆก่อนเพียวๆโดยไม่มีคําของใครไปปรุงแต่งนะเข้าไปนั้นเราต้องสร้างพระอย่างนี้ให้ได้มากๆนะจากนั้นก็เผยแผ่ออกไปเมื่อโยมซักถามเขาก็จะตอบได้หรืออย่างน้อยทรงจำไม่ได้ก็ยังอ้างข้อมูลที่มาที่ไปได้นะตรงนี้เราก็พยายามแก้อยู่เนี่ยทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัย บทพันธนะผิดความหมายผิดอธิบายผิดภิกษุว่ายากสอนอยากภิกษุไม่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายจึงทำให้ขาดผู้เป็นมูลลากที่จะสืบทอดกันต่อๆไปนั้นพระรุ่นต่อๆไปก็จะไม่สนใจพุทธวจนะก็จะได้รับข้อมูลที่ผิดตามตามกันไปเรื่อยๆพระบทมาแล้วถามว่าศึกษาอะไรครูบาอาจารย์สอนอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ แถมพอมีการศึกษาก็เอาการศึกษาทางโลกเข้าไปให้พระเรียนพระไปนั่งเรียนรัตศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หิ้วกระเป๋าเจมบอลไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลายัยไปคนละเรื่องอีกคนละแนวขนาดพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยไปเรียนเดรลฉานวิชาไปเรียนคมภี์นั้นคมภีร์นี้พระาศาสดายังบอกว่าถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําพระาศาสดาเธอยังจะไปศึกษา ค, คําคนอื่นไหม เธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่จะไล่ออกจากภิกษุเลยนะเห็นไนมะไม่ต้องไปเรียน ห, หวิชาทางโลกอย่างนี้หรอกนโยบายเราเฉไปนอกทางหมดเลยคือไปบัญญัตินโยบายกันเอาเองทั้งที่นโยบายพระาศาสดานะ่มีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่พระเองไม่มาศึกษาคำาศาสดาจึงผิดมาตั้งแต่ระดับนโยบายไล่ไปเลยนะพระ เวลาประชุมกันไปประชุมเรื่องการมีมหรสศพในวัดจะทํำยังไงตลาดนัดในวัดอะไรมันคนละเรื่องกันเลยเยอะนะเราแทบไม่เคยคุยทําวินยัยนะพลาดประชุมกันมันต้องคุยทำคุยวินัยกันแต่ไปคุยเรื่องโลกหมดเลยเอกสารหนังสือทํำยังไงจะส่งยังไงอะไรกันเป็นเรื่องโลกหมดละนะผู้จ้าห้ามพิสูุรับเงินทองพิสูรก็รับเงินทองเป็นปกตินะเดินห้างเป็นปกติช้อปปิ้งเป็นปกติ นะทั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยห้ามหมดเลยนะนั้นเราต้องกลับมา <c oughs> หาพุทธวจนะเพราะไม่งั้นโยมจะไปตำหนิอะไรเขาถ้าโยมยังไม่ชูพุทธวจนะโยมไม่มีทางตัดสินหรือฟันตรงอะไรได้เพราะเขาจะอ้างว่าอาจารย์ผมสอนมาอย่างนี้วันนี้ก็บอกอาจารย์ผมสอนมาอย่างนี้ทุกคนต่างอ้างอาจารย์หมดไม่มีใครอ้างพ ร, าพระพุทธเจ้าเลยและโยมไปอ้างผู้เจ้าเขาก็จะปฏิเสธโอยไม่ใช่หรอกอาจารย์ฉันทาอย่างนี้ มันต้องทำให้ทั้งอาจารย์ทั้งใครต่อใครเนี่ยยิงตรงพระพุทธเจ้าองค์เดียวให้ได้ต้องมีมาตรฐานเดียวคือพุทธวจนะแล้วถ้าทุกคนใช้ตรงนี้ทุกคนมีหลักฐานข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือมีระบบในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วปั๊บเนี่ยทุกอย่างจะยุติได้ง่ายปัญหาต่างๆจะแก้ได้หมดคืออย่าให้มีการอ้างคําคนอื่นที่มาแล้วกัน นณวันนี้เหมือนถือคนตลตําราโยมถามว่าอันนี้จะยุติยังไงปัญหานี้เขาก็อ้างคําคนนี้อ้างคําอาจารย์นี้อ้างคําอาจารย์นี้คําอาจารย์อ้างไม่ได้ต้องอ้างไปถึงพุทธวจนะอย่างเดียวเท่านั้นองค์นี้ต้องยกพระสูตรขึ้นมาองนี้ต้องยกพระสูตรขึ้นมานี่ต้องยกพระสูตรขึ้นมามันจะหมดปัญหาแต่ณนะวันนี้ปัญหาถูกแก้ด้วยการยกคําอาจารย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไม่มีทางแก้ได้ทํายังไงจะให้ทั้งพระทั้งคารวะถือคาําศาสดาตัวเองเป็นหนึ่งเดียว นั้นต้องผลักดันพุทธวัจนะให้เป็นที่เข้าใจของพุทธบริษัทในประเทศและในโลกนะปัญหาต่างๆแก้ได้หมดนะเมื่อเรามีศรัทธาจุดร่วมอันเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะยุติได้ทุกเรื่องเนาะแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ใช้มาตั้งแต่ต้นนะเาจริงๆก็ใช่แล้วคะ่ะต้องใช้พุทธวัจนะนะคะแล้วทำไ ม, มบ้านเมืองเราหรือศาสนา พ, พุทธเราทำไมไม่ยึดพุทธวจ น, นะคะ ทำไมเพิ่งจะมาเราผึจริงๆแล้วมันต้องอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ uh huh. แล้วทำไมถึงไ ด, ถงได้ถึงได้ยังไปใช้สเสปรศปะมาะคะเหมือนกันนายโยนว่าตอนนี้เราเพิ่งจะตรงนี้เราโอเคเราดีมากที่เราทำขึ้นมาแต่เหตุไฉนพระพุทธเจ้าท่านได้บอกพระพุทธวจนะมาตั้งนานแล้วแล้วก็ประเทศไทยเราบอกว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ราชกาลที่หนึ่งมาถึงรัชกาลที่หและเหตุไฉนทําไมไม่ใช้ยึดเป็นพระพุทธวจนะกันซะตั้งแต่เริ่มมีพุทธศาสนาในเมืองไทยนะคะความเห็นเนี่ยความเห็นคน ทุกคนมีความเห็นนะและเมื่อทุกคนยึดความเห็นตัวเองนะไม่วางความเห็นตัวเองไม่เอาพระพุทธเจ้านะมันก็แตกเป็นนิกายอย่างเนี้ยนะอย่างแค่ว่าความไม่ละเอียดของคนพูุ้ทธเจ้าบอกว่าอ่าหลังพระเจ้าอ่าปเรณิพานแล้วเนี่ยนะถ้าสงพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เนี่ยก็อนุญาตให้เพิกถอนได้ตามต้องการคนก็ไปตีความไปพิณาเอาว่า ผู้เจ้าให้บัญญัติใหม่ได้ให้เพิกถอนได้ทุกอย่างหลวมมากหยาบความหยาบของคนก็แค่ฟังคํำผู้เจ้าว่าเพิกถอนได้ปั๊บเอาไปตีคลุมเลยตีคลุมไปหมดเลยผู <c oughs> ้เจ้าบัญญัติบอกว่า <c oughs> ให้เพิกถอนสิขาบทเล็กน้อยได้เนี่ยเราดูนะสิ่งที่ออกจากปากของผู้เจ้าเนี่ยมีธรรมะกับวินยัยนั่นคือธรรมะผู้เจ้าให้แตะไหมไม่ให้แตะทั้งเพิ่มและทั้งตัดส่วนตัววินัยมี3 ส, ส่วน ส่วนศินปฏิโมกอภิสมาจารย์ผู้เจ้าให้ตัดส่วนไหนอนุญาตให้ส่วนอภิสมาจารย์คือสิขาบทเล็กน้อยเนี่ยในส่วนของเล็กน้อยใช่ไหมท่านี้ส่วนส่วนอื่นเนี่ยเพิ่มตัดก็ไม่ได้ส่วนที่1ส่วนที่2ก็ไม่ได้ให้เพิ่มไ ม, ไม่ได้ไม้ตัดส่วนที่3ที่เล็กน้อยก็ไม่ได้เพิ่มนะแต่อนุญาตให้ตัดได้นั่นคือ8เงื่อนไขให้แตะได้เงื่อนไขเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไนหะ นี่ดูง่ายๆความละเอียดของการที่คนหยิบประเด็นนี้ปุ๊บแล้วเอาไปพูดก็เลยคิดว่าแต่งใหม่ได้จบเลยนะความไม่ละเอียดนี่คือทำมีมนทินนะจิตไม่ละเอียดก็อ่านปุ๊บก็ตีความหลวมๆนะตีความไปเองละไม่ไม่พยายามแกะรายละเอียดทั้งๆ ท, งที่ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพิจรณาโดยละเอียดได้ และทาวินยัยผู้เจ้าก็ชัดเจนหมดความควา ม, าความหยาบความละหลวมเนี่ยมันก็เลยเป็นความเสื่อมในตัวมันเองนั้นพระตะถาคตก็ไม่ได้กลัวความเสื่อมหรือภัยจากภายนอกพระองค์กลัวภัยจากภายในนั่นแหละศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทด้วยกันเองนี่แหละนะไม่ไม่ใช่จากใครเลยนั้นถ้าจะแก้ปัญหาก็คือกลับไปแก้ที่ ความเจริญและความเสื่อมของศาสนาที่ผู้เจ้าบัญญัติในนัยยะต่างๆนัยยะหนึ่งบอกว่าให้เป็นผู้ฉลาดในอาจันะฉลาดในปฏิจจสุบาร์นั้นทําตรงนี้ให้คนศึกษาเรื่องอายนะศึกษาเรื่องปฏิจจสุบารและต้องเป็นพุทธวจ น, นะนะอีกนัยยะหนึ่งบอกให้มั่นเจริญสติปัฏฐานสี่ศาสนาจะตั้งมั่นเจริญอีกนัยยะหนึ่งสข้อ บทพัญชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกทำตรงนี้ก่อนถ้าใครเป็นรัฐบาลต้องเผยแผ่พุทธวจนะให้เป็นหลักในประเทศทั้งเสียงทั้งหนังสือทั้งในสื่ออินเทอร์เน็ตในจีปาฐานมีกำลังทำได้ทำไปตำราของสงฆ์ต้องเป็นคำศาศาสดาลล้วนข้อที่หนึ่งจบละข้อที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคาสั่งสอนโดยความเคารนักแน่น ก็ต้อง เ, อเข้าไปกำชับพระใหม่ที่เข้ามาบวชอย่าเอาแต่ปริมาณต้องเอาคุณภาพยมีพระลหันสักสิบองค์ในประเทศเหลือเฟือแล้วนะการ น, นี้สมมติสามแสนองค์แล้วไม่ได้เรื่องเลยทั้งสามแสนก็ไม่มีประโยชน์นะโยมเอาคุณภาพมาก่อนอันดับหนึ่งนะ ในข้อที่3มเนี่ยผู้เจ้าให้ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายถามว่าเราเนี่ย <c oughs> ออกวิทยุประเทศไทยคำพูดใครมีคำพระตถาคตมาไม่มีเยอะใช่ไหมอ่ออกสื่อทางอินเทอร์เน็ตออกสื่อนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรเนี่ยจิปาธะดรูรู้สึกว่าถ้ายิ่งหลากหลายยิ่งดีกลายเป็นอย่างนั้นนะ เวลาหน่วยงานไหนนิมนต์พระไปะเทศบอกต้องให้หลากหลายต้องให้หลายสายน ะ, ะไม่เข้าใจแนวคิดโดยสั้นว่ามันต้องมีที่เดียวคือธรรมวินัยของพระตถ า, าคตเห็นไะหอาตมาเห็นหลายหน่วยงานนิมนต์นั้นนี่แบบสเปซสปะดูแลดูอลังการดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วกําลังทําในสิ่งที่ผิดพลาดเลยน ะ, ะเรียกว่าไม่มั่นคงกับพระศาสนาตนเองล้ว มันต้องหนึ่งเดียวเลย น, นี่เรื่องการถ่ายทอดเนหะ็นไหมในข้อที่สในข้อที่สี่ปั๊มเนี่ยก็คือพระที่บวชนานนะอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของพระที่ต้องเข้าไปแก้ไขการแก้ไขนั่นก็คือเอาตำราที่ถูกต้องเนี่ยให้ท่า น, นเพราะว่าตัววัดวาอารามที่จะมีตำราถูกต้องก็น้อย แล้วก็ชี้ว่าอะไรคือทำอะไรคือวินัยอย่างถูกต้องแล้วก็ให้พระเนี่ยคณะสงฆ์ก็ต้องให้เดินตามนั้นนะแล้วถ้าพุทธบริษัททุกคนช่วยกันตรวจสอบเนี่ยก็จะง่ายมาจึงยังทำให้ข้อมูลในบาลีสยามรัฐเนี่ยทั้งหมดทั้งภาษาบาลีภาษาไทยเข้าในมือถือของทุกคนเป็นแอปพลิเคชันในระบบของ Android แล้วก็ระบบของ Apple นั้นณวันนี้ทุกคนเนี่ยใครที่มีสมาร์ทโฟนนะทุกคนจะมีคำพระสัสดาอยู่ในมือนะและมีโปรแกรมในการสแกนตรวจหานะนั้นอย่างโยมใส่บาทปั๊บเนี่ยพระวัดนี้ให้พรพระวัดนี้ไม่ให้พรโยมก็ตรวจได้อ๋ออันนี้ท่านทาผิดตามพุทธวจนะพระสัสดาไม่ได้บอกให้ให้พรในขณะบินตบาลพระองค์บอกว่าเรากล่าวการอนนโมทนาในที่สันใช่เราก็ เลือกสนับสนุนพระที่ทำตามพุทธปจนะอย่างนี้นั้นทุกเรื่องเลยโยมทุกเรื่องเราสามารถตรวจสอบแล้วเราช่วยเป็นกำลังให้ศาสดาของเราได้นะก็ลองพิจารณากันนะช่องทางไหนทำได้เราก็ทำนะก็คือตั้งเป้าอย่างเดียวก็เพื่อพระศาสดาของเราแค่นั้นเองนะอ มีมุมอื่นไหมท่านแกอ่าฮะดังอยู่เจนท่านคะแล้วเราประเทศเราประเทศไทยเราไม่ต้องทําการสังคายนาใหม่หรอนะคะทำการสังคายนาใหม่เหรออ๋อเอ่อ <c oughs> มันก็ต้องเราต้องชัดเจนก่อนว่ายมดูว่าการสังคายนากี่ครั้งเนี่ย ก็มีคำปลอมเข้าไปด้วยมันต้องชี้แจงให้คนเข้าใจก่อนว่าสังคายนาในเขาสังคายนาอะไรยมดูหลักการสังคานาทุกครั้งทุกคนจะพูดหมดเลยว่าเพื่อทรงจำคำพระพุทธเจ้านะเพื่อรักษาคำพระพุทธเจ้าแต่พอผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็ไปรักษาคำที่แต่งขึ้นใหม่ขึ้นด้วยทั้งนั้นอย่างนี้อ่า นั้นหลักในการสังกนาเนี่ย <c oughs> มันไม่ชัดเจนนะยมลองดูว่าแต่ก่อนเนี่ยที่สังกนาครั้งแรกเนี่ยเขาช่วยกันจําคําพระพุทธเจ้ายมเคยติดตามพระเจ้ามาห้าปีคนนี้ติดตามมาสิปีคนนี้ติดตามมา20ิปีอา้าวยสิปีคงได้พระสูตรเยอะไหนพูดมาซิจําอะไรที่พระเจ้าได้บ้างไอ้พวก5ปีสิปีก็จํานะจำไอ้ที่20ปีมันจําได้เยอะกว่านะไอ้สิปี นะแต่ไปเจอที่นั่นที่นี่คนละที่กับ20ปีจําอะไรที่ผู้เจ้าได้บ้างพูดมาสิที่ไม่เหมือนกับไอ้ยีปีนี้ใช่ไหมพูดมาปั๊บอา้าวที่เหลือไม่เหมือนกับที่นี่จําเข้าไปทุกคนจะจําได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็จําไว้นะผู้เจ้าพูดอย่างนี้นะแล้วถ่ายทอดกันต่อไปหลักการแค่นี้เองอโยมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยตรงตรงตร ง, ง่ายๆผู้เจ้าพูดแค่ไหนตอบแค่นั้นพูดแค่ไหนตอบแค่นั้นเนี่ยโยมทาตรงอย่างนี้ได้ไหมล่ะ ใช่ไหมอ่าทุกคนทําตรงอย่างนี้ได้ไหมคนนี้กระซิบให้คนนี้กี่คำห้าคาคนนี้กระซิบต่อห้าคำเหมือนกันอย่าไปเติมหคําอย่างนเนี้ยเนี่ยทาตัวเป็นเหมือนเทปเลกคอร์ดนะนะเลกคอร์ดเปนยังไงเปิดอย่างนั้นทําตัวเหมือนไม้ก็ได้นะไม้ อ, อกลอําโพงถ้าแตมาพูดไปห้าคำลำโพองออกไปสิบคาไอ้ลำโพงนี้ใช่ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนลาโพงแล้วเปลี่ยนไม้แล้วมันทําผิดหน้าที่มันนะ่ะใช่ไหม อาวกเนี่ยก็ปี้เลยโยมก็ปี้เพราะเก่งที่สุดมีแล้วไม่ต้องคิดว่าฉันมีอุบายดีกว่านะผู้เจ้าคงลืมอุบายนี้ไว้ต้องเ ต, ต plains, ิมไอ้นั่นต้องเติมไอ้นี้ไม่ต้องคิดเลยนะย่าอย่าบัญญัตินะนิรุตติคือภาษาผู้บัญญัติคือศาสดาครบแล้วอย่างเนี้ยง่ายที่สุดเลยโยมทำทำไดาและอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธวจนะอันนี้เนี่ยถ่ายทอดมาเนี่ยถูกต้องที่สุด เช็งตรงที่สุดค่ะเช็คสิโย่เช็คโดยหลักโลกุตละธรรมเนี่ยเช็คโดยหลักธรรมชาตินะอย่างพูะุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณจะบนอยู่ในขันธ์ทั้งสี่โยมนั่งสมาธิก็ตรวจเลยโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยบนอยู่ในลูกเวทนาสัญญาสังขารสีท่านนี้โยมนั่งรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตมีไหมมีดึงกลับมาที่ลมหายใจ รูล้ลมไปรู้ปุ๊บไปนึกเรื่องอนาคตมีไหมมีดึงกลับมาลงหายใจรูล้ลมเข้าลงออต่อปุ๊บไปรู้สึกพอใจไม่พอใจมีไหมมีอะทุกคนมีตรวจได้ไหมตรวจได้พอโยมมาดูผู้เจ้าบอก อ, อ๋อจิตจะหลุดไปนี่จริงไหมเออจริงเออเหมือนชันเนอะนี่หลักความเป็นปจัจตังรู้เฉพาะตนได้สิกีภูโตเป็นพยานในตนได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังต่ตางๆกันมานะ 2,000 กว่าปีที่แล้วจิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีจิตมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่คือความเป็นอากาลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตรวจปฏิจจสุบาสิผู้เจ้าโกหกอ่ะผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาตัณหาวัฏานโยมไปเดินห้างไปเดินชอปปิง้งไปซื้อผ้าพันคอมาผืนหนึ่งผ้าพันคอในห้างก็มีต้องหลายผืนเอ๊ะทำไมเราอยากจิบผืนนี้อยากได้ผืนนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราชอบ อชอบเกิดมาจากอะไรอ๋อตาไปเห็นผ้าผู้เช้าก็บัญญัติภาษาตาเห็นรูปจะเกิดพอใจจะเกิดตั้หาความอยากจะเกิดความยึดใจเงินซื้อผ้าพันคอฉันแต่ก่อนเป็นของห้างเดี๋ยวนี้เป็นของฉันยึดละปฏิจจสุบาทก็ตรง 2,000 กว่าปีที่แล้วก็มนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมา 2,000 ันกว่าปีโยมก็ยังมีอาการจิตเหมือนเดิมนี่คือความเป็นอากาลิโกที่การเวลาไม่สามารถทําให้ธรรมชาติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปได้ และปะจัจจต่างโยมก็ตรวจได้คนอื่นในสารานี้ก็เดินห้างกันทุกคนใครว่าไม่จริงก็ค้านมาได้ยกมือค้านว่าอาการจิตดิฉันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครค้านได้โยมอาตมาไปบรรยายที่ใบเตกบาบงนาะอิสลามฟังยังชอบเลยเพราะอิสลามก็มีอาการจิตเหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะทุกความเชื่อมันเหมือนกันหมดเพราะพระเจ้าพูดสัจจากความจริงเหมือนอาตมาพูดว่าโลกมันมีแรงดึงดูดอิสลามจะปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ มันไปโยนของที่ไหนมันก็ตกลงข้างล่างทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนี่คือสัจจคความจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปเห็นสัจจคความจริงระบบของจิตทํางานกับรูปนามยังไงมันจะไล่ลําดับเรียงการเกิดกันมาอย่างไรเรียกกฎอิทธิปยาตาทำที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะบัญญัติว่านี่คือกฎอิทธิปัจจยตา ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นรวมทั้งสายเรียกปฏิจจสมุปบาท น, นะอย่างเนี้ <c oughs> เราก็จะมานั้นไม่มีใครปฏิเสธได้เลยเยมเราตรวจไปเลยตรวจทุกเรื่องตรวจทุกเรื่องตรวจตรวตรวจตรวจับผิดผู้เจ้าได้เลยนะ <c oughs> เรียกว่าจับผิดกันเลยได้เลยอืมอ <c oughs> <c oughs> พอนั่นปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดศรัทธาในพระศาสนาโอ้โห <c oughs> <c oughs> คนพูดคนนี้ไม่ธรรมดา และยิ่งพอเราศึกษาไปมากมากยิ่งเห็นความสอดรับกันนะแล้วพระเจ้าเคยยืนยันว่าคําพูดพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันหมดเรายิ่งเอ้ยโอ้โหนี่ก็เชื่อมกันนี่นี่ก็เชื่อมกันนี่นี่ก็เชื่อมกันนี่นั่นนะ่ะเราจะงงนะภาษารีบุตร ย, ยังทึ่งพระพุทธเจ้าภาษาลีบุตรฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครบรรยายธรรมเก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วนะบอกว่าสุดยอดอพระสาสดาบอกว่าสารีบุตร เธอร่วงรู้วาและจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือจึงบรรลืเสียนาาขนาดนั้นพระสารีบุตรบอกว่าไม่รู้หรอกพระเาค่แต่การเป็นไปตามทํานองแห่งธรรมนั้นข้าพลงได้ทราบแล้วธรรมะที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยทราบได้เลยโยมยิ่งเสพธรรมะพระศ า, ศาสดามากเท่าไหร่โยมจะยิ่งศรัทธามากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเท่านั้นจะเห็นความความเป็นปฏิหารความเลิศใน ความเป็นพระศาสดาแล้วยมจะประเมินได้เลยว่าสาวกไม่มีทางทำได้นะ่ะ อ, <c oughs> อันนี้อยากให้คนที่ยังศึกษาพุทธวจนะน้อยเนี่ยนะ่ะไปศึกษาให้มากแล้วก็พิสูจน์ศรัทธาจะเกิดขึ้นมากเกี่ยวบ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเสกภูมิเหมือนกัน ว่าปูมของพระเสกค่ะพระเสขค่ะจะรู้เลยว่าไม่มีใครบอกสอนได้เลิศกว่าพระศาสดาของเราแล้วเขาจะมียานอย่างรู้ตรงนี้เป็นเครื่องวัดเสกกระปุอีกอันหนึ่ง